คนี่ต่อไปนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกําเนิดก่อนละคําเพอเจอร์เว้นขาดจากคําเพอเจอร์พูดถูกกาละพูดแต่คําที่เป็นจริงพูดอิงอัฏฐะนะพูดอิงอัฏฐะก็คือพูดอิงผลทั้งหลายพูดอิงธรรมะคืออิงเหตุอิงวินยัยอิงวินัยก็คืออิงสังวรวินยัยอิงปหานวินยัย พูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตา ย, พายตเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสม พ, อพ่อคูณภัยบณ์แล้วก็จุติจากสวรรค์มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลลักษณะนี้คือนะถ้าไม่พูดเพ้อเ จ, เจอ้อจะทำยังไงได้ผลอะไร บอกว่ามีพระหานุดุดคางราชสีมีคางเหมือนคางราชสีเรียกว่าคางเนี่ยน้าเกรงขามเหมืนนะพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับอนิสงส์เพิ่มคือไม่มีใครใครที่เป็นมนุษย์เป็นข่าศึกศัตรูกําจัดได้นะว่าแปลกนะคนที่มีคางคล้ายๆราชสีเนี่ยไม่มีใครกําจัดได้นะ ถ้าออกพนวดจะได้เป็นพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชอบไหมครับสัมผัสปราประวัจาเนี่ยพวกคารวะนี่ชอบนะสนุกนะเรื่องสนุกเล่าเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยบ้าบ้บอเนี่ยสนุกในวงเล่านี่สนุกมากเลยนะครับถ้าหากว่าไม่สัมผัสปราปรวัจจาก็ไม่สนุกนะครับเอ๊ะทำไมมันมีโทษยังไงครับก็เจตนามีโทษไหม เจตนาดีก็ไม่มีโทษที่ครับเจนทารนะถึงเจตนาดีก็ยังมีโทษเพราะผลของเจตนาดีนะก็ทาให้ได้ชาติชราพยาธิมรณะแต่เอาแบบสูงสุดเลยดูดูแล้วสัมผัสประปวาจาดูแล้วไม่น่าจะมีโทษเลยนะครับก็ทำให้หายคลายเครียดอะไรพวกนี้ครับเจนทาร์พวกประเภทสัมผัสปลาปะนะพวกเสียงเพลงทั้งหลายแลเนี่คือสัมผัสปลาปะทั้งหมดเลย ส่วนใหญ่เนะ่บทเพลงที่เขาร้องร้องกันเนะยมันเป็นคําพูดที่เป็นประเภทสัมผับตลาปะสักส่วนใหญ่เลยนะโอ้ยพลนารักอยู่ได้ครึ่งวันมันจะรักจริง <c oughs> ๆอย่างนั้นหรือเปล่านะ่หลอกกันไหมนั่นนี่ไงสัมผับตลาปะสักส่วนใหญ่เลยไม่ถ้าอยากจะเชื่อนะถ้าไม่เห็นโคเห็นคนทะเลาะกันไม่หย่าร้างกันก็จะเชื่ออยู่เหมือนกันทะเลาะกันหัวร้างข้างแตกกันด้วยอ่ะนั่นไง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่รักษาวาจาในข้อไม่เพ้อเจอ้อได้จะทำให้มีคางเหมือนกับคางราชสีกันนะถ้าหากว่าเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไม่มีใครที่เป็นข้าศึกศัตรูกาจัดได้ถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือไม่มีข้าศึกศัตรูภายในคือราคาโทสะโมหะหรือข้าศึกศัตรูภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดา ม, มารพรมใครๆในโลกกําจัดไดนะ้พระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้กาจัดไม่ใช่ศัตรูกําจัดพระองค์พระองค์นี้เป็นผู้กาจัดศัตรูกาจัดศัตรูคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นแล้วก็ยังกําจัดศัตรูคือภายนอกคำว่ากําจัดนี้ไม่ได้แปลว่าฆ่าเขานะเพียงแต่ว่าศัตรูเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเบียดเบียน ทำลายพระผู้มีพระภาคได้พระโบราณอาจารย์ท่านประพันไว้ว่าโบราณอาจารย์ในที่นี้คือพระพระอนอน์เป็นต้นนั่นเองพระสังคีติกาอาจารย์เนีกล่าวไว้ว่าพระมหาบุรุษไม่กล่าวคำเพอ้อเจอ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานมีคลองพระวาจาไม่เหลียวไหลทรงบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์ตัดแต่คาที่เป็นประโยชน์และคาที่เป็นสุข แกมหาชนนะพูดแต่ประโยชน์ประโยชน์นีกี่อย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนะครั้นทากรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษย์โลกเข้าสู่เทวโลกสเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ทำดีแล้วจุติแล้วเวียนมาในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระหนุนุดครางราชสีที่ประเสริฐกว่าสับสีเท้า ก็บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหมดนะราชสีเขาเรียกว่ามิคราษมิขาบแลลว่านพวกเนื้อทั้งหลายแหละเนี่ยราชสีเป็นราชาของเนื้อทั้งหลายเพราะราชสีเนี่ยฆ่าได้แม้กระทั่งช้างมาถ้าฆ่าช้างเนี่ยไม่พลาดครั้งเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยเพราะนั้นก็บอกว่ากระต่ายก็ฆ่าได้แต่ก็ส่วนใหญ่ไม่ฆ่าแต่ถ้าฆ่าแล้วไม่พลาดเหมือนกันเพราะว่าราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าเจ้าป่า เป็นเจ้าแห่งสัตว์ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นราชสีชั้นสูงเลยก็คือพวกไกรสอนราชสีเนี่ยนะซึ่งอยู่ในถ้าทองราชสีประเภทนี้อยู่ในถ้ำทองเป็นเจ้าแห่งราชสีถ้าบรรลือสีขนาดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าสัตว์บางตัวในถึงก็อกแตกตายเลยก็มีเขาจึงเป็นราชาแห่งสัตว์เหมือนกันังั้นคนที่มีคางในลักษณะนี้ก็เหมือนกันเป็นพระราชาที่เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ ยากนักที่ใครจะกําจัดพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ใหญ่ยิ่งของมวลมนุษย์มีอนุภาพมากเป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในไตรทิพย์อุปมาว่างที่จริงแล้วพระองค์เนี่ยเลิศกว่าเราเทพพญเจ้าอีกเป็นเหมือนพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นผู้มั่นคงอันคนทันอสูนเท้าสกะและยักษ์ไม่กล้ า, าผู้กล้าไม่กําจัดได้โดยง่ายเลย พระมหาบุรุษนั้นย่อมเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้โดยแท้นั้นพระองค์นั้นเป็นใหญ่ใหญ่จริงๆเรียกว่าในบนรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าจนถึงอรูปป ร, พรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดทีนี้อีกต่อไปว่า เราจะให้ดูอัตกรานิดหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ทำกรรมประเภทเพอร์เจอร์นะก็บอกว่าผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีคางเข้าไปในภายในหรือมีคางคดหรือมีคางเงื้มอมมีคางเงื้อเขาว่างนั้นแต่พระตถาคตไม่ตรัสอย่างนั้นคนที่คางมีปัญหาเนี่ยนะก็มาจากกรรมประเภทเพอร์เจอร์ เป็นนิมิตแห่งกรรมหมดเลยเนาะใช่หรือเปล่านะเนี่ยนะถ้าใครจะเพ้อเจนี่ยรูปรูปคางได้เลยนะทำเหตุไว้นะต่อไปถ้าคางมันบิดๆิดเบี้ยวเบี้วอย่าไปตำหนิมันนะว่าพูดไปเถอะถ้าคลางมันบิดๆิดเบี้ยวเบี้วก็อย่าไปตำหนิใครกัแล้วกันนั่นแหละ การใช้วาจาเนี่ยนะสําคัญนะมีอิทธิพลต่อชีวิตในชาติต่ต่อไปเป็นอย่างมากเลยถ้าฝึกใช้วาจาสัตยชาตินี้เลยนะต่อไปอนาคตก็จะดีขึ้นใช้วาจาอย่างไรพระพุทธเจ้าพูดพระไตรปิฎกไว้ตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันน่เอามาพูดวรรธรรมขันน้ำมาขันนะพูดจนตายก็ไม่จบ <c oughs> นี่น่าพูดมากเลยนะเกิดประโยชน์มากมายนี่เลยนมาเลยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังนะจะได้เกิดประโยชน์แล้วถ้าปล่อยคุยเรื่องที่เหลือนะไม่รู้คุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนและมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จความเป็นผู้อยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงวัดการโกงด้วยการรับสินบนการหลอกลวงการตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการการโทษสรุปแล้วอาชีพชั่วไม่ทำทักอย่างแตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทรรมสังสมพก่กภูนภัยบณ์พระมหาบุรุษนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์โดยฐานะสิคืออายุทิพวัรณนะทิพสุขทิพยศทิพ อธิปไตยทิปรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะที่เป็นทิพย์จติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะ ส, สองประการคือมีพระทนเสมอกันฟันของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพระทาฐะคือมีสีขาวงามพระเคี่ยวของพระองค์เนี่ยสีขาวงามเรียกพระเขี่อแก้วอะนะกการว่าไปเห็นมาแล้วนะไปที่อยู่ที่สีลังกา อยู่ที่ศ ร, รีลังกาด้วยแล้วก็ที่สวรรคชั้นดาวดึงก็มีถ้าไม่เห็นที่ศรีลังกาก็ไปดูที่ดาวดึงเนื้อ พ, พระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยพะละศักย์สองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชั้นะแล้วมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้ว พระฮาบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจและมีอรรมากกว่าพันล้วนแต่เป็นผูกแก้วกล้าเป็นพระรูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยทําโดยเสมอโดยไม่ต้องใช้อาทยาม่ต้องใช้สาตราครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตโอ้ดูแลประเทศบ้านเมืองเนี่ยไม่ต้องสร้างกําแพงเลยนะไม่มีเสาเขื่อนแปลว่าไม่มีกําแพงเลย เอามาหาสมุดเป็นกำแพงเหมือนกันมิได้มีนิมิตไม่มีเสี้ยนหนามมั่นคงแพร่หลายมีความเกษมสําราญไม่มีหมู่โจรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้อีกคือคือผลพิเศษมีบริวารสะอาดได้แก่มีบริวารที่เป็นพรามขึ้นหบดีชาวนิคมชาวชนบทหัวราจาันมหาอํามาตยกองทหาร น, นายประตูอํามาตย์บริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมาร น, น, นะเครว่ า, วาดได้แต่คนดีๆมาอยู่ใกล้เหมืนั้นแท้ ไม่มีคนชั่วมาอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่มีมีแต่เอาแต่คนดีๆมาติดสอยห้อยตามพระองค์ถ้าพระมหาบรุษทรงออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีบริวารสะอาดบริวารของพระองค์ที่สะอาดนั้นได้แก่ภิกษุใช่อย่างพระอ น, นุเนี่ยโหมีเป็นผู้สะอาดมากเขาเรียกว่าท่านบวช ติดตามพระผู้มีพระภาคอยู่ยี่สิบห้าพันศาเนี่ยนะก็บอกว่าราคะไม่เกิดยโทสะก็ไม่เกิดโมกุศลจิตท่านเกิดบ่อยมากก็คิดดูนะว่าพระองค์พูดคําหนึ่งผ้าโนนเนี่ยแต่ขยายได้หกหมื่นบทพระองค์พูดบทเดียวผ้านนขยายได้หกหมื่นบทคิดดูแล้วพระพุทธเจ้าพูดวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วพระ้าโนนจะขยายได้เท่าไหร่โอ้ไม่มีเวลาให้กิเลสเกิดเลยอ่ะฉันกุศลจิตท่านเกิดมากมายมหาศาล แล้วเป็นผู้ที่มีเมตตาวจีกรรมเมตตามนกเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังในพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเหมือนมเหสีที่ติดตามเสด็จเหมือนเงาติดตามตัวว่า ง, งั้นพระองค์เนี่ยแล้วภาษาดิบุตรอย่างเงี้ยพระโมคาลานะมีแต่คนดีๆติดตามอย่างอสีติมหาสาวกแปดสิบองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่เข้าติดพระองค์ส่วนสาวกที่เหลือเนี่ยไปอยู่ห่างๆกันไปจักคูวิญญาณวิตตกเกิดไหม เอางี้นะกายญาวิญญาณวิตกเกิดไหมแขนแกคิดดูสิคิดได้ไหมเออให้คิดแทนคิดไม่ได้เพราะะนั้นมันวิตกไม่เกิดร่วมกับทวิปัญจาวิญญาณในจิตสิบทวิปัญจาวิญญาณในจิตสิบคือจักขุวิญญาณสองโสตวิญญาณสองคานาวิญญาณสองชิวหาวิญญาณสองกายญาวิญญาณสองพวกนี้ไม่คิดนะนะเพราะฉะนั้นจะให้แขนคิดแทนไม่ได้ อันน้แขนคิดแทนหน่อยอ่าดูหนังสือแทนนี่คิดตามไม่ได้ตาก็คิดแทนไม่ได้หูก็แต่พวกจักรคูวิญญาณสโสตข า, านาชิวหาให้คิดแทนไม่ได้สักอยาก่างแต่มนโนวิญญาณคิดได้เพราะมีวิตกส่วนฌานาจิตชั้นทุติยะฌานเป็นต้นไปก็ไม่คิดไม่มีวิตกนะธุติยาาตะฌานตติยะฌ า, า, จานจตุตฌานปัญจมะฌานอรูปฌานฌานเหล่านี้จะไม่มีวิตกเกิดร่วมด้วย อันจิตที่เหลือก็มีวิตกแต่ทีนี้วิตกมีฝ่ายดีอยู่3ฝ่ายไม่ดีอยู่3นะวิตกถึงฝ่ายดีวิตกถึงอะไรเนคขมวิตกวิตกเพื่อที่จะออกจากอารมณ์ทั้ง5้าหรือเรียกว่ากาบวัตถุกาบะรวิตกที่ออกจากความไม่โกรธนะวิตกที่ออกจากความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นกุศลวิตกส่วนวิตกที่เป็นอกุศลก็คือวิตกไปในรูป เสียงเกลิน่นรถโพธิภพะพวกนี้วิตกเพื่อที่จะติดใจนะวิตกเกิดร่วมกับโลภะอันนั้นเป็นกามวิตกส่วนวิตกต่อไปนะวิตกด้วยความโกรธ ด, ด้วยโทสะพวกนี้เป็นพยาบาทวิตกพยาบาทยังไงรู้ไหมนึกถึงงานที่ทำไม่เสร็จแล้วนึกเมื่อไรไม่สบายใจทุกทีเลยนั่นแหละพยาบาทวิตกนะ นึกถึงโอ๊ยเมื่อไรจะเสร็จสักทีเนี่ยนึกแล้วหงุดหงิดนะนะอะไรที่นึกแล้วหงุดหงิดนะอันนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทวิตตกแต่ถ้าวิหหงสาวิตกเนี่ยนึกถึงใครสักคนหนึ่งแล้วคิดจะทำลายคิดจะเบียดเบียนอันนั้นเป็นวิเหงสาวิตกแต่คิดถึงใครแล้วชอบเลยนี่เป็นกาวมวิตกนั่นแหละความคิดอย่างนี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นโทุควรเจริญไหมแต่แต่ทําไมคิดมากจังอะ่ะมันคิดไปแล้วเนอะมันได้ปัจจัยมันก็เลยคิดเลยแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะให้ไม่ให้คิดเป็นอกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรหัดคิดกุศลเยอะๆพระองค์บอกว่าเมื่อบุคคลใดวิตกถึงวิตกอย่างใดมากๆวิตกอย่างนั้นๆจะพอกพูนคิดถึงลูกมากๆนะมันจะพอกพูนในเรื่องลูกอ่าคิดถึงหลานมากๆก็จะพอกพูนในเรื่องหลาน คิดถึงงานมากๆก็จะพอกพูณแต่เรื่องงานแต่ถ้าคิดถึงธรรมะก็จะพอกพูณแต่ธรรมะพอกคูนึกถึงพระไตรปิฎกมากๆก็พอพพกูณพระไตรปิฎกจิตของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าแห่งชีวิตเจ้าแห่งจิตใจของตัวเองเลยนะแล้วแต่จะน้อมไปเพันจิตเนี่ยพระ อ, องค์จึงสอนให้ตั้งไว้ให้ดีผู้ที่ตั้งติดไว้ชอบเป็นอัตตะสัมมาปนิธิ อตตะสัมมาปณิที่เป็นเอตัมมังคารมุตตะมังถ้าใครรู้จักตั้งจิตไว้ดีเป็นเหตุเป็นมงคลที่ทําให้ถึงความเจริญที่สูงสุดแต่ถ้าตั้งไว้ผิดนะก็บอกว่ามีโทษยิ่งกว่าศัตรู ค, คู่แค้นคู่อาฆาตอีกเหางงือนกันโจรหัวโจกเหมือนกันโจรโจกเจอโจรโจกเขาว่าก็ยังไม่ร้ายเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดราะะโจรนเนี่ยถ้าไม่ตั้งไว้ผิดจะไปเป็นโจรได้ยังไงเพวันความชั่วร้ายทั้งหลายแหละก็เกิดมาจาก วิตกมันวิตกตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดแม้กระทั่งมิจฉาทิฐิด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เกิดมิจฉาทิฐิอย่างเช่นผู้ที่มีกามวิตกมากๆเนี่ยนะนานๆเข้าจะเป็นมิจฉาทิฐิได้เพราะว่าอย่างถ้ามิจฉาวิตกเกิดตรึกในเรื่องที่ไม่ควรคิดมากๆใช่มคิดต้องการรูปเสียงเป็นต้นมากๆเดี๋ยวเอ๊ะมันจะคิดอยากได้มาโดยไม่ชอบทำ พอคิดได้มาโดยไม่ชอบทํำปั๊บความคิดบางอย่างจะแวบมาอ่าบาปนะเฮ้ยบาปไม่มีหรอกมันจะตัดออกไปทันทีเลยนะจะตัดเรื่องบาปบุญคุณโทษออกไปทันทีเลยอ่าพยาบาทวิตกเกิดมากๆก็จะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิเกิดนะคนที่ขี้โกรธมกักโกรธเนี่ยนานๆเข้าเดี๋ยวก็ไม่เชื่อบุญบาปหรือยิ่งประเภทวิหิงสาวิตกเนี่ยไอ้ไอคนนี้มันสมควรตายจริงๆอ่ะคงไม่บาปแนละ้วนะนะมั้งนะมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยทัานวิตกมากๆ อคุสนวิตตกเกิดบ่อยๆจะเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐินี่ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสังวรสำรวมระวังรักษาชีวิตของเรานะรักษาที่วิตกถ้ารักษาที่วิตตกได้เนี่ยคนนั้นก็เก่งถ้ารู้จักวิตกดีจะรู้จักชานะปัจใจดีนะรู้จักชานะปั จ, จโยดีเพราะว่าองชาณมีเท่าไหร่มีหใช่ไหมคือวิตตกวิจารปีติสุเอกคตา แล้วในวิตกนะถ้าเป็นอกุศลวิตกก็เป็นฌานเหมือนกันแต่เป็นอกุศแลแฌานนะวิตกที่เป็นไปกับนิวรห้าพวกนี้เป็นอกุศแลแฌานอันวิตกนั้นถ้าเรารู้จักปัจจัยของเข้าดีวิตกจะเกิดขึ้นเพราะเพราะตั้งจิตไว้ผิดอะ่ะจริงนะถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ชอบธรรมนะสมมติถ้ามันคิดบางอย่างขึ้นมาปั๊บนีถ้าเราเคยตั้งไว้เราจะไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นนี พลานาโทษให้มันดีๆก่อนเคิดว่าเราจำจะเลิกคิดเรื่องอะไรนะให้คํานึงถึงโทษของสิ่งนั้นให้มันดีๆก่อนว่ามันมีโทษยังไงบ้างเช่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพื่อตัดรอนสติปัญญานะเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลนะมีโทษนะให้พ้นเป็นความทุกข์เนี่ยใส่ใจคําเหล่านี้ไว้ให้ดีเสร็จแล้วจะพยายามไม่ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นอีก ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บจิตที่อธิษฐานไว้จะมาทันทีเลยเว้ยอ่านะทีนี้อะไรจะชนะก็แล้วแต่ขณะนั้นอะไรมีกําลังมากอันนั้นจะชนะถ้าวิตกมีกําลังมากเอาไว้ก่อนหนา้าอธิษฐานก็นอธิษฐานไวเ้เถอะเอาไว้ก่อนใกล้ๆกับสมาทานศีนั่นแหละเออศีนบางคนเนี่ถ้าไม่สมาทานรักษาไม่ได้พอสมาทานปั๊บสังวรไวรัตงดเว้นได้แต่ต้องดูนะว่าพอไปไประจวบเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ที่สมาทานกับไอ กับที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรมีกําลังกว่าแต่บางคนใหม่ๆมันหลุดด้วยเราตั้งความคิดบางอย่างนะเออจากนี้ไปนะเราจะคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าเลยสมมติาใครเคยไปเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ยังไงเออจะเดินคิดถึงแต่คุณพระพุทธเจ้าสักสามรอบเลยนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยใหม่ๆมันทำํำยากนั้นนะแต่ถ้านานๆเข้าเนี่ยมันจะทำได้หรือฟังอ่าถ้าคนที่อ่านอ่านพระสูตรหรือฟังพระธรรมเนี่ยนะจะ ตั้งจิตยังไงจะได้ยินเสียงนั้นทุกคําใส่ใจในเสียงนั้นทุกคําโดยที่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยเสียงนี่เป็นยังไงติดตามเนื้อหาและคิดอยู่แค่นั้นเนี่ยบางคนเนี่ยทําได้พระราชาที่สีลังกาเนะีฟังธรรมทั้งคืนไม่มีคิดเรื่องอื่นแทรกเลยติดตามเนื้อพระธรรมที่พูดเนี่ยทั้งคืนเลยอะ่ะนะมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งสามารถที่จะกําหนดวิตกของตัวเองได้คนที่กําหนดวิตกตัวเองได้เนี่ยอยากหลับก็หลับง่าย ตื่นก็ตื่นง่ายจะตื่นตัวด้วยแต่ถ้าปล่อยความคิดสเปสสปะเนี่ยเบอร์ทำอะไรผิดผิดพลาดนั่นแหละพวกนั้นกําหนดวิตกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวิตกนะจะฝึกฝึกได้อย่างไรการเจริญอน า, นาปานาสตินี่เพื่อตัดอวิตกในเหมือนกันนี่ก็ช่วยได้ประเภทอานาปานาสติเนี่ยสอนเพื่อที่จะระงับวิตกหรือเปลี่ยนไปเป็นประเภทอัอพยาปาท่วิตกนะเมตตา ม, มากๆเข้าก็จะ อคุสนิตกก็จะช่วยได้เยอะและอีกอย่างหนึ่งการเจริญวิปัสสนาก็ช่วยช่วยทําให้เราศึกษาทางเดินของวิตกได้ด้วยสันฐานของวิตกได้ด้วยเหตุปัจจัยของวิตกได้ด้วยถ้าเราคิดถึงอะไรปั๊บแสดงว่าเราผูกพันกับเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราถามตัวเองต่อไปว่าทําไมเราจึงผูกพันกับเรื่องนั้นเสร็จแล้วจะมีคําตอบได้เลยในขณะนั้นเราจะเป็นคนรู้เองว่าทําไมเราจึงคิดเรื่องนั้นสมมติถ้าเราคิดเรื่องลูก เพราะอะไรเราจึงคิดเรื่องโลกมีปัญหาข้อไหนบ้างที่เรายังเคลียร์ไม่เสร็จเราจึงคิดถึงนะทุกเรื่องเลยที่เราคิดนะถ้าเราใส่ใจให้ดีเราจะมีเหตุผลให้ตรงนั้นเลยนะเราจะรู้เองเลยว่าทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องวิตกได้เป็นอย่างดีเราก็จะน้อมจิตไปเพื่อเนคขมวิตกได้ง่ายนะถ้าน้อมไปเนคขมวิตกได้ง่ายๆขึ้นวิตตกอันนี้เนี่ยเป็นฌานฌานนี่มีกี่อย่าง ชานี้มีสองอย่างลักคนูปณิสชานกับอารัมณูปณิสชาญเพ่งที่ลักษณะของขันทาตอศยตนะกับเพ่งที่อารมณ์พระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นนักเพ่งชาญในร่างกายของพระผู้มีพระภาคไม่มีอนูไหนที่พระองค์ไม่ได้เพ่งนะพระองค์พิจารณาจะเรียบร้อยหมดเลยนะมนไม่ว่าจะเป็นส่วนผมส่วนขนส่วนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเพ่งหมดเลย จนรู้ว่าอะไรเป็นกรรมให้เกิด mm hmm. นะเช่นคางเนี่ใช่ไหมทางพระองค์ก็พิจารณาเป็นอย่างนี้จนรู้ว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดคางพระองค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้ตาพระองค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้ผิวพรรณพระองค์ก็รู้กรรมที่เป็นเหตุให้ได้อนะแข้งได้ขาได้เท้าได้ฝ่ามือฝ่าเท้านะได้เส้นขนเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งกรรม และกิเลสที่เป็นเหตุให้ได้รูปเหล่านี้ด้วยนะพระ อ, องค์จึงรู้หมดแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่ถ่ายถอนตัณหาได้โดยไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละอันเวลาคนอื่นเขากราบสการะพระผู้มีพระภาคนะพระ อ, องค์บอกว่าคนนี้เคารพขันทพปัญจกะที่พระ อ, องค์กําหนดรู้เรียบร้อยแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้มีมานะโอ้ยเออยิงถือตัวอะไรไม่มีพระ อ, องค์คิดว่าเออเขาเคารพสการะขันทพปัญจกะที่พระ อ, องค์กําหนดรู้เรียบร้อยหมดแล้ว เรื่องวิตกนี่ยิ่งศึกษาไปยิ่งเห็นเพราะชื่อคําว่าวิตกวิตตกนี่นะจะมีชื่อหลายชื่อเช่นอันตตสัมมาปิณิธินี่ก็นี่ก็เป็นเรื่องวิตกซึ่งเราตรึกไว้ในใจตั้งไว้ในใจเลยหรือว่าโยนิโสมรัชการนี่ก็เป็นเรื่องของวิตกนะครับถ้าเราตรึกไปในเรื่องกามนะครับนั่นหมายความว่าอย่าลืมว่ามันอยู่แค่การนะไอการวิตตกนี่แหละมันจะพาให้เราเกิดพยาปาท้าวิตตก มันนี้ไม่พ้นหรอกครับนะเรื่องวิตกนี้น่าศึกษามากมากเลยนะผู้ใดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิตกได้คือบังคับอ่ะบังคับว่าเออคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะให้หลีกเลี่ยงอย่างนี้นะให้เรามาคิดอย่างนี้นะถ้าผู้ใดทําได้นะท่านบอกไว้ว่าอานิสงส์สูงมากนะถึงถึงบรรลุมรรคผลทีเดียวท่านกล่าวไว้ได้เลยท่านขนาดนั้นเลยนะถ้าสามารถที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ท่านให้ อุบายเปลี่ยนไม่ด้วยนะไม่ใช่พูดลอยลอยด้วยเ <นะ S 1> พราะองค์แม่<ห>สอนอุบายไว้ด้วยเลยนะว่าวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงจากอากุศลไม่ตรงเนี่ยมาเป็นกุศลเนี่ยเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมเราก็คิดดูว่าสิ่งที่เราวิตกเนี่ยวิตกถึงอะไรก่อนอใช่ไหมถ้าหากว่าเราวิตกถึงบางอย่างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ <S 2> <S 2> เกิดขึ้นปั๊บก็พิจารณาถึงโทษของวิตกอันนั้นโดยถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องกรรมดีเนี่ยจะรู้เลยว่าวิตกนี้เป็นกับอกุศลก็เอาเรื่องกรรมมาใส่ต่อไป อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดวิตกด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาถึงโทษภัยต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือเอาความเปรียบเทียบว่าคนอื่นที่คิดลักษณะนี้มีโทษอย่างไรบ้างอันนี้ก็ช่วยได้ดังั้นการศึกษาวิตกนั้นนะเป็นธรร ม, มานุปัสนาะเพราะว่าเป็นสังขารขันนะผู้ศึกษาวิตกดีดก็จะได้ธรรมานศึกษาธรร ม, มานุปัสนานั่นเองนั่นแหละการศึกษาให้ดีแล้วอย่าไป พิจารณาวิตกเฉพาะภายในเนะี่ยพิจารณาทั้งภายนอกด้วยพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยพิจารณาเหตุเกิดของวิตกทําไมจึงวิตกแบบนั้นนะวิตกที่เป็นอกุศลต้องมาจากอโยนิโสเป็นต้นนะวิตกที่เป็นกุศลก็มาจากโยนิโสเป็นต้นนั่นแหละผันสา ม, มารถรู้เหตุปัจจัยที่ทําให้ให้คิดอ่าทำไมอยู่ๆทําไมเราจึงคิดถึงลูกถ้ามาไม่พูดถึงคนอาจจะไม่คิดถึงเลยนะ แต่พอได้เสียงมาปับ๊บได้อารามณะปัจจัยปับ๊บจะคิดแวบไปเลยเพอได้อารามณปัจจัยปับ๊บอุปนิสัยเก่าที่สะสมเรื่องลูกมานานก็จะคิดถึงลูกต่อไปแวบพอใช้คําว่าเพื่อนสนิทปั๊บเนี่ยได้อารามณปัจจัยปับ๊บอุปนิสัยที่เราสะสมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนมาปับ๊บจะคิดถึงทันทีเลยยัง <c oughs> พระพุิภาคเนี่ยพระองค์ทรงแก้วิตกอย่างหนึ่งนะที่น่าที่น่าเห็นที่น่าสนใจนะครับ อย่างพระภิกษุนี่นะยังยังไงก็คิดถึงตาแฟนอยู่เรื่อยเลยอ่ะกามาวิตกคิดอยู่นั่นแล้วเนี่ยนะแก้ยังไงก็ไม่หายทันทีนะเปลี่ยนอารมณ์ก็แล้วคิดถึงโทษของวิตกก็แล้วนะครับท่านยังบอกว่าในที่สุดบอกว่าเออแก้ไม่ไหวจริงนะเอาของในย่ามงออมันนับมีอะไรบ้างโอ้ขนาดนี้นะนเอามา คือที่จะไม่ให้มันไปตึกไปในเรื่องกามาพิตกออกมานับมันมีอะไรบ้างในย่ามท่านมีอะไรบ้างครับเนี่ยพระภิกษุที่ควรจะมีฮะเช่นมีเข็มเย็บผ้ามีด้ายมีอะไรที่กรองน้ํามีอะไรทั้งหลายนะนะอามาเนี่ยอมาเนี่ดูนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนั่นเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นโทษของกามาพิตกมากเลยนะครับกามาพิตกเป็นต้นเนี่ยมีโทษมากัารพิตกเนี่ยนะ อ่าเช่นวิตกถึงญาติก็ชื่อว่าเป็นอกุศลวิตกแต่ก็ไม่มีโทษมากเท่ากับประเภทการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหงสาวิตกอ่าประเภทนี้ ม, มีมีโทษมากมายจริงๆแล้วก็วิธีสุดท้ายผมยังนึกไม่ออกเลยนะท่านบอกว่าเอาฟันฟันกัดฟันนี่ลินดุลเพดานนี่ยังไงครับมผมยังนึกไม่ออกเลยไหมเพราะว่าโอโ้โหนั่นสุดเหวียงแล้วใช่ไหมครับยังไงยังไ ง, ง, ไงเดี๋ยวสึกแน่เลยสไม่ทาอย่างเนี้ยอาจารยหรืออาจจะล่วงอบัตบหนักๆไปก็ได้ทํำยังไงครับมัน ถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันหายวิตกยังไงครับมันเจ็บก็มันก็มาคิดเรื่องเจ็บแทนไม่คิดเรื่องนั้นเลยเหอฮะใช่ไหมพอทุกขากายยวิญญาณเกิดขึ้นก็มาตรึกเรื่องนี้แต่แล้วก็คือให้มันเปลี่ยนให้มันเบาๆหน่อยสานิดๆเสร็จแล้วก็ปัญญาอย่างอื่นๆจะเกิดได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นการข่มไปเลยนะพลงเปรี่ยนเงินคนแข็งแรงเนี่ยเขาไปบีบคอคนที่อ่อนแอเลยอ่ะเอาใช้ความรุนแรงเลยน่ะเพราะนั้น อุบายในการแก้วิตกเนี่ยแสดงว่าพราะองค์ก็ยังตัดไว้อย่างละเอียดมากเลยนะ่เพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะมันบางอย่างมันล่วงอับัตเลยนะมันล่วงอับัตปั๊บเรื่องใหญ่โต อ, อ่ะมันอับัตบางข้อเนี่ยใหญ่มากอย่างเช่นสังขารทิเศสเนี่ยใหญ่มากใหญ่จนเขาเรียกใช้คําว่าสงอ่ะเป็นอับัตที่ใช้สงตั้งแต่เข้ากรรมนะเขาเรียกว่าคล้ายๆกันอยู่ปริวาสอ่ะเีาเรียกปกปิดไว้เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นน่ะ ปกปิดไว้สิ้นราตรีเท่าใดนะก็ก็อยู่ปริวาสสิ้นราตรีเท่านั้นแล้วก็อยู่มานั้นอีกหกราตรีมูสงยี่สิบจะพึงมีณสีมาใดก็ไปออกอพารณสีมานั้นถ้าไม่ครบยี่สิบหากอพานณทิศูนั้นไตรทิศูนั้นก็เป็นอันไม่ได้อพาร น, นะทิศูนที่เป็นการกรกสองก็จะมีโทษเองถ้าอบบัตบางอย่างเนี่ยใหญ่โตเช่นสังขาริเสดเป็นต้นเนี่ยหใหญ่น้องนองประดาชิกอย่างนี้ บางคนก็ถึงกับร่วงปาราชิกไปเลยท่านมีโทษถ้าเป็นปาราชิกไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าตามยอดด้วนนะคือถ้ายังอยู่ในเพศนี้ก็ไม่งอกเงยไม่มีทางงอกเงยเว้นไว้แต่อสขาราเพศไปก็ไม่มีโทษอะไรก็เห็นใจครับพระภิกษุหนุ่มๆยังอายุน้อยๆ อ, อ, อยู่นี่ก็ <Okay. S 2> มถ้าท่านสามารถที่จะทำให้ศีลท่านบริสุทธิ์พุดผ่องนี่น่ากลาบว่าจริงๆครับนะครับน่า เออวนนี้บัตรหน้ากราบไหว้หน้าขอรพจริงๆริงนะผมยอมรับล่ะหามาบวชยากเหลือเกินนะนะมีใครมีปัญหาไหมหน้ำหมดตัวดีครับทั้งตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ทําให้เราเห็นว่าการใช้วาจาของเรานี่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนอื่นด้วยบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยนะการใช้วาจาโอ้โหนี่ยังอุตส่าห์มาหรอเนี่ย เขาบอกว่าคํานี้บางคนโกรธนะเอ๊ะตั้งใจมายังบอกว่าเราอุตสาห์มาอีกนก็เรตั้งใจมาจริงๆยังบอกว่าอุตสาห์มาดังนั้นการใช้วาจานั้นมีอิทธิพลต่อคนอื่นมากวาจาบางคนถึงกับไปกระโดดน้ําตายกว่ามีนั่นแหละบางคนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานกว่ามีนะกับการใช้วาจานั่นแหละมันวาจานั้นเป็นมันมันเกี่ยวข้องกันเป็นวิญยัตได้เกี่ยวข้องกันทําให้เรามองเห็นนะว่าเอ๊ะทํายังไงเราจะใช้วาจาที่ที่ไม่มีโทษนั่นแะ ที่ไม่มีโทษหรือว่าคนฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์ดันั้นการศึกษาใช้วาจาแบบนี้ก็เป็นศีลข้อหนึ่งของเราด้วยเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะศึกษาการใช้วาจาอย่างถูกต้องก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนึ่งในหนทางเพื่อความพ้นทุกข์ในองค์8ใช่ไหมสัมมาวาจาก็หนึ่งในองค์8เพื่อความพ้นทุกข